ตอนหมุนติ้วติระเบิดเลยจะพูดถึงเรื่องแนวปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันอยู่นะถ้าไม่ทำความเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะเกิดข้อสงสัยเยอะมากและญาติธรรมรุ่นเก่าๆหลายคนน่าเสียดายมากปฏิบัติถึงครึ่งหนึ่งพอไปเจอครูบาอาจารย์ที่เขาฝึกปฏิบัติมาอีกแนวอื่ น, อนเอาแค่เขาถามว่าส่วนมากจะถามคานี้เพราะครูเจอถามมามากละ ผู้พุทธเจ้าปฏิบัติแนวนี้เหรอขึ้นมาเต้นระบียอยู่ใต้ต้นโพใช่ไหมนะส่วนมากมีแต่อ้างพุทธเจ้านะเพระครูบอกถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยพวกเราต้องตายไวัยนะทําไมต้องตายไวัยเพราะผู้พุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเราเป็นคนไทยเราบรรลุทำไม่ได้ต้องตายแล้วไปเกิดเป็นคนอินเดียนะอะไระไรเนี่ยเราเราเราชอบไปอ้างอิงอะไรที่ที่ที่ที่ที่มันจะเข้าข้างตัวเองนะผู้เจ้าบรรลุอานาปนสติเท่านั้น ถ้าอย่างนั้นผู้เจ้าก็สอนอย่างเดียวสิไปยกตัวอย่างทำไมแปดหมืนสี่พันพระธรรมกันไปยกตัวอย่างทำไมสี่สิบกรรมฐานนี่นะเราเราเราถูกตีกรอบอะไรเนี่ยทำให้เรามีวิสัยคับแค่นะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า น, นิพานเนี่ยยังไม่ใช่ของพุทธศาสนาเลยนะมันเป็นของโลกของจักรวาลของของสากล บังเอิญเจ้าชายศิษฎาไปตัดสลูเข้าสู่สภาวะนั้นก็มาสมมุติชื่อเรียกสภาวะที่จิตมันดับทุกแล้วเนี่ยสมมุติชื่อเรียกว่านิพานก่อนหน้าเจ้าชายศิษฐาเนี่ยในสายพุทธเราเนี่ยในพระไตรปิฎกเขียนชัดเจนนะพระอาหารหันต์ก่อนหน้านั้นยี่สิบกว่ารูปยี่สิบเจ็ดรูปองค์ที่เรากล่าวไหว้เป็นองค์ที่ยี่แปดแล้วก่อนหน้านี้ไม่มีพุทธศาสนาไม่มีพระสงฆ์ ทำไมดวงจิตเหล่านั้นบรรลุธรรมได้เป็นถ้าอ拉าหาันได้นะส่วนมากเราปฏิบัติเราไปเรียนรู้จากกรอบของวิชาการของตัวหนังสือนะทำให้เราไปแปลหนังสือแปลคำพูดเหล่านั้นเน่าผิดนะทำให้เราพลาดโอกาสนะก็พ่อครูจะชี้เห็นว่าที่เรากาลังดำเนินอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะเหมือนอาทิตย์ที่แล้วพรอครูได้พูดเรื่องเมื่อเราหลงป่า สิ่งที่เราต้องทำคือหาทางเดินออกจากป่าไม่ใช่ไปฝึกวิชาสมาธิไม่ใช่ไปฝึกวิชาสติเหมือนเป็นนักกีฬานะ่ะฝึกซ้อมอยู่ตรงนั้นละ่ะซ้อมอยู่ั้นไม่เคยไปลงแข่งเลยเนี่ยมันจะเกิดทักษะได้อย่างไรทุกวันนี้ไปเรียนวิชานู่นวิชานี่เอาอุบายวิธีทาสมาธิจเจริญสติมาชูธงเป็นเป้าหมายนะแล้วมันจะไปไหนละ่ะ หลงป่าเนี่ยเราต้องหาต้องใช้ปัญญาดับแรกคือว่าดูทิศทางก่อนถ้าทิศขึ้นทางไหนตกทางไหนเออบ้านเราอยู่ทิศไหนแล้วต้องเดินทางใช้ศักยภาพเรานี่อินทรีย์พะละที่เรามีอยู่ทั้งหมดเดินทางไม่ใช่ไปฝึกอยู่ตรงนั้นนะะไม่ใช่ไปฝึกอยู่ตรงนั้นนะทุกวันนี้เนี่ยเราถูกติกรและผู้บาจันทร์ไปหลงติดตรงนั้นเดี๋ยวก็เพ่งกายเพ่งอสุภะ แล้วก็ไปเพ่งอริยบท น, นะขวาซ้ายอะไรก็แล้วแต่แล้วก็มันเกิดเวทนาก็ไปเพ่งที่เวทนาตอนนี้ก็มาเพ่งจิตมาดูจิตพวกครูเคยถามว่าเอาอะไรมาดูจิตเราก็คือจิตจิตก็คือเรานะยังใช้สมองไปดูจิตไปเพ่งจิตอยู่ก็ไปเจริญสตินั่นแหละนะเป็นเป็นเป็นวิชาไปเจริญสติวิชาเจริญสมาธิมันไม่ใช่มั่ง มากนี่เราต้องดาเนินคือเดินทางเดินเข้าไปในจิตนะจิตนี่คือศูนย์กลางของชีวิตเราคือต้นกำเนิดของชีวิตนะนักวิทยาศาสตร์เราไปวิจัยเลยสม ว, วิจัยเรื่องไมโครโฟนเนี่ยมันทำจากวัสดุอะไรเนี่ยต้องเอาไปหล่อล้อมล้อมล้อมลอมลงมาก็ไปหาที่มาของมันต้นกำเนิดของมันในแง่งชีวิตเราเนี่ยต้นกำเนิดของเราคือจิตเราต้องเข้าไปในจิต ไม่ใช่ไปเพ่งไปดูนุน่นดูนี่ไปฝึกวิชาสติฝึกวิชาสมาธินั่นมันไม่ใช่มักต้องสมาธิชอบต้องใช้สมาธิในการเจริญมัสมเนี่ยสมาธิชอบสติชอบความเพียรชอบการกระทำทุกอย่างต้องชอบคือก็ต้องมีการกระทำเกิดขึ้นไม่ใช่ไปฝึกสมาธิไม่ใช่ไปฝึกสติเราฝึกมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนเดินไม่เป็นให้ให้ยืนตั้งไขนั่นฝึกแล้วนะฝึกสมาธิล้ ให้ให้เดินขวาซ้ายนั่นแหละกว่าจะเดินได้ต้องมีสตินะเราฝึกกินข้าวฝึกกับรถเรามีอยู่แล้วสติสมาธิเนี่ยมีมาหลายชาติแล้วตอนนี้เนี่ยการเจริญมากต้องใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยเดินทางเดินเข้าไปในจิตนะทีนี้เราก็มาเจอวิธีที่เป็นเครื่องมือในการส่งเราเข้าไปก็คือแรงเวียน แรงเหวี่ยงเหมือนสตาร์บลตเนี่ยถ้ารถยนต์ไม่สตาร์ตเนี่ยเครื่องยนต์มันไม่หมุนเนี่ยมันไม่มีพลังนะนะทุกวันนี้ฝึกอาณาปณะสี่ก็แค่ว่าติดเครื่องยนต์หมุนเฉยเฉยก็จเจริญสติอีกอาณาปณะสติคือสติซึ่งเกิดจากพิจนาลมปราณก็อยู่ตรงนั้นละ่ะห้าปีอยู่นั้นสิบปีอยู่นั้นยี่สิบปีก็อยู่ตรงนั้นได้สติได้สติคนมีสติอย่างมากก็ไม่ทําชั่วแต่มันไม่ไปไหน เราต้องใส่เกียร์ต้องใส่เกียร์มันเดินเข้าไปในจิตในจิตเข้าไปเสพธรรมในธรรมธรรมะมที่สะสมมาหลายภพหลายชาติในนั้นมีทั้งกิเลสตัณหาอุปท า, านมีทั้งกระแสกรรมดีกรรมชั่วมันอยู่ในนั้นนั่นคือกล่องปัญญานี่คือมหาสติปัฏฐานนะทุกวันนี้เราไปฝึกเป็นหมวดหมวดวิชาเอาอุบายวิธีนี้มันเจริญสติมันเจริญสมาธิ มันไม่ใช่มากนะอันนี้ให้เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจละเดี๋ยวเราจะหลุดเดี๋ยวกิเลสมาในใจเราเองมันบอกให้ใช่เหรอสมาธิไม่เคยเห็นแบบนี้นะเขานั่งเฉยๆนิ่งๆพอไปฟังครูบาอาจารย์ข้างนอกนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยเธอเชื่อเหรอเอพุทธศาสนาสอนแบบนี้พระไตรปิฎกมีเหรอยิ่งกว่ามีอีกนะถ้าอรหันต์จี้กงเนี่ยเหมือนลิงเลย หอโคงนี่ลิงชัดเลยเขาไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะเขาเคลื่อนไหวหมดอะพวกเราเนี่เหมือนเหมือนอะไรเรามาถูกตีกออไว้เหมือนกบอยู่ในกะลาเนี่ยรู้อยู่แค่นี้แล้วความรู้ที่รู้ส่วนมากไปจำมาพูดหมดนะไปอ่านมาเอาความจำมาพูดกัน เข้าไม่เข้าไม่เห็นความจริงก็เลยพูดความจริงไม่ได้นะพวกครูต้องเน้นเรื่องนี้มากๆเพราะว่าประสบการณ์ยี่สิบปีเห็นแล้วว่าเอ๊ะบางคนเดินมาดีๆลุดหายไปเลยเดียวปฏิรุทหายไปเลยหลังจะตามไปอ๋ะไปเข้าใจผิดอีกไปฟังคนนั้นคนนี้พูดแล้วก็เขวถ้าไม่มีศรัทธาอย่างแรงกล้านะไอ้แนวนี้เนี่ยไม่ต้องคนอื่นบอกบางทีไอ้มาในสิทธิ์เราเนี่ยมันเบี่ยงเราทิ้งเองเนี่ยมันจะเกิดข้อสงสัยมากมันจะหลอกเลยล่ะ นะมันจะหลอกเพราะว่ามานมันอยู่ดีๆเนี่ยเราหาเรื่องไปเหวี่ยงมันทิ้งเนี่ยมันไม่ชอบแต่ถ้าเราไปฝึกไอ้สมาธิเจริญสตินะทําช้าๆเหมือนหุ่นยนต์น่ะมานมันก็อยู่กับเรามันก็ยิ้มยิ้เบิ่ดทำไปเถอะไม่รบกวนมันไงมันก็ปล่อยเราทําไปห้าปีสิบปียี่สิบสาสิบปีมันก็ปล่อยเราทําไปได้ความสงบชั่วครู่ใจเย็นลงนิดนึงแต่ไม่ได้เอาของเก่าออกเลย นะมัคคืออะไรที่นี่มาดูที่มัค ก, การเดินทางเมื่อกี้พระครูบอกว่าต้องเจริญมัค ก, การปฏิบัติธรรมหรือการเจริญธรรมก็คือการเจริญมัคไม่ใช่ไปฝึกวิชาสมาธิวิชาเจริญสติมัคมาพูดอีกมุมหนึ่งยุคนี้เราชูธงเรื่องทานทานศีลภาวนาก จริงๆแล้วมักมีองค์แบบมันก็อยู่ในศีลสมาธิปัญญาหรือจะเรียกสมาธิศีลปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิก็แล้วแต่อยู่เชื่อเขาจะเขียนอะไรขึ้นก่อนนะแต่ยุคนี้เรามาชูธงทานศีลภาวนาเพราะว่าเรามีความความโลภมันเยอะวัตถุนิยมมันแรงเขาก็เลยเอาทานตัวนี้มาชูธงทานนี้ถ้าเปรียบเหมือนผู้เจ้าแสดงปฐมนิเทศนาก็คือธรรมาจักรกับพระวันสูตรก็คือ ทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสทานนี้ก็คือการทําดีอย่างหนึ่งการทําดีต้องมีการกระทําเกิดขึ้นนะทานนี้ก็มีวัตถุทานธรรมทานอภัยทานซึ่งอาทิตย์ที่แล้วพระครูได้เกินถึงเรื่องนี้ญนะาติที่ทามาใหม่ก็ยังไม่ได้ฟัง ก, ก, ก็พูดอีกนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะวัตถุทานธรรมทานอภัยทานนะที่ท่านบอกว่าการทําทานโดยช่วยเหลือมนุษย์เนี่ย ทำทานกับมนุษย์เนี่ยได้บุญมากกว่าทําทานกับสัตว์เดรัจฉานการทําทานโดยการสร้างวิหารโบสถ์วิหารนั่นได้บุญมากกว่าการทําทานกับพระพุทธองค์บางคนตกใจนะพุทธองค์สูงสุดยิ่งใหญ่แล้วทำไมอย่างนี้นะพุทธองค์เนี่ยพระองค์ไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องให้เราพวกเราไปทําทานกับพระองค์หรอก แต่เรามาทำทานโดยการสร้างโบสถ์วิหารเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินของสมบัติของพุทธศาสนานิสศาสนิกชนเนี่ยเป็นเครื่องมือในการสร้างคนนะเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่คําสอนของพุทธองค์เนี่ยที่บอกว่าการทําทานโดยการสร้างวิหารเนี่ยได้บุญมากกว่าการทําทานกับพระพุทธองค์นะส่วนการทําทานโดยการเผยแพร่พุทธธรรมของพุทธเจ้าคําสอนพุทธองค์เนี่ยได้มากกว่าการสร้างวิหารอีก นะได้มากกว่า บ, บางทีสร้างวิหารมาใหญ่โตแต่ว่าก็าไปทิ้งไว้ให้มันเป็นโบราณวัตถุเฉยๆไม่ได้ทําประโยชน์เลยนะมันได้น้อยกว่าการที่เอาพุทธธรรมของพระ อ, องค์เนี่ยมาเผยแพร่ต่อไปเป็นการสร้างคนให้คนเนี่ยเมื่อคนเข้าถึงธรรมแล้วเขาก็เจริญเขาก็จันทร์ลงพระศาสนาต่อไปนะแต่ทีนี้ไอ้ทานพวกเหล่านี้เนี่ย นะจะเป็นการอันแรกคือวัตถุทานสร้างวิหารอันที่สองคือให้ธรรมทานไงการเาผยแพร่หลักธรรมของพุทธองค์เนี่ยเป็นการให้ธรรมทานก็ว่าได้บุญเยอะนะที่บอกว่าสัพเพธรรมมาไอ ไ, อไอสัพพทานังธรรมทานังที่นาติคือการให้ธรรมเป็นทานเนี่ยยิ่งกว่าการให้ทั้งปวงคือว่ายิ่งกว่าการให้วัตถุทานทั้งหมดแต่ยังสู้อภัยทานไม่ได้นะหลายคนต้องฟังเรื่องนี้นะอภัยทานเนี่ย อภัยทานเนี่ยง่ายที่สุดแต่ยากที่สุดง่ายจนไม่ต้องคิดไม่ต้องอ้าปากด้วยไม่ต้องพูดอะไรเลยเนี่ยนะนะไม่ต้องเสียเงินวัตถุทานยังต้องเสียเงินเสียเวลาไปที่วัดไปทำบุญนะธรรมทานยังต้องเสียเวลาเสียพกอูต้องเป่งเสียงออกมาเนี่ยต้องเสียนะแต่อภัยทานไม่ต้องเสียอะไรเลยแต่ทุกคนให้ยากที่สุดและไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวส่งเสริมให้เราอยู่ในวัสะสงสาร อภัยทานเนี่เหมือนเราปลดอะไรความโกรธแค้นความพยาบาทนะความเครียดแค้นนี้ออกมาให้หมดเลยเราก็เบานะเราเบาแล้วมันไม่เป็นภาระที่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกอภัยทานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ให้ยากนะคำว่าให้ทานนี้ก็ไปอยู่ในส่วนของการทำดีนะทานศีลส่วนศีลในที่นี้เขาหมายถึงศีลเอ่อซึ่งเป็นตัว ไม่ให้เราทำชั่วคนที่มีศีลจริงๆต้องละชั่วทั้งปวงไม่ใช่มือถือปากปากถือศีล น, นะอย่างทุกวันนี้นะถือถือหลุดหลุดเนี่ยนะอันนั้นอันนั้นเป็นศีลวินัยเฉยๆบางทีก็ทำได้บางทีก็ทำไม่ได้ถ้าจิตมันเข้าสู่สภาวะที่มันมีศีลแล้วเนี่ยไม่ว่าต่อหน้ารับหลังเนี่ยเขาทำชั่วไม่ได้หรอกเขาจะมีเฮลิโอตาปะกเขาจะมีความละอายแก่บาปเกรงกลัวแก่บาปเขาจะรู้ว่านรกคืออะไรสวรรค์คืออะไร นะการเวียนว่ายายเกิดน่ากลัวแค่ไหนเขาจะไม่กล้าทำชั่วทั้งปวงอันนี้คือคนจิตซึ่งเข้าสู่สภาวะมีศีล น, นะส่วนศีลตัวนี้มันก็แยกออกเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นข้างในกับข้างนอกข้างในกับข้างนอกเนาะข้างนอกคือไม่ทำชั่วทั้งปวงนะ แล้วก็ท า, านนั้นสติปกติเป็นส่วนหนึ่งของศีลคือการการกระทําดีนี่แหละคือศีลศีลข้างนอกส่วนศีลข้างในเนี่ยคือความปกติของจิตจิตสงบนิ่งไม่แส่สายนะเป็นอารมณ์สงบนิ่งไม่แส่สายนั่นคืออารมณ์ศีลข้างในนะส่วนทานข้างนอกก็นี่แหละคือวัตถุทานธรรมทานอภัยทานเนี่ยเป็นเรื่องของข้างนอก ส่วนทานข้างในคือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอารมณ์ที่เรามีอารมณ์ทานข้างในเนี่ยต้องมีอารมณ์เหล่านี้มีความเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาคนอื่นไม่รู้แต่ว่าเรารู้นะอันนี้เป็นทานข้างในมีทานข้างนอกแล้วมีศีลข้างนอกกับมีศีลข้างในศีลข้างในเลยคือความปกติของจิตนะมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราทำสมาธิเมื่อทาสมาธิเป็นหนึ่งเดียว จิตมีความสงบนิ่งเป็นปกติอารมณ์สินเกิดขึ้นแล้วนะพร้อมที่จะเจริญปัญญานะแรงเวี่ยงของเราเนี่ยทําให้สินเกิดขึ้นเหมือนเราหมุน ล, ลูกข่างนี่นะมันเบียงเบี่ยงเบี่ยงเบียเียเียเบียงเบงแล้วเนี่ยสักคู่หนึ่งมันจะนิ่งเองเราไม่ได้ทําให้มันนิ่งนะแรงเวี่ยงตัวนั้นเขาจะหาจุดสมดุลของเขาเองนะเมื่อเ้าหาถึงจุดสมดุลได้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาเป็นนิ่งแล้วเนี่ยไอ้โทลันโดหรือว่าไอ้แรงเบี่ยงตัวนั้นน่ยไม่กระทบเขาแล้ว แรงของวัตฏะสงสารเนี่ยไม่กระทบเขาแล้วเขาจะเข้าไปสู่ความว่างความนิ่งนั้นทำให้มันเข้าสู่ความว่างเมื่อว่างจากแรงแรงเบี่ยงตรงนี้แล้วเนี่ยนะจิตมันไปเห็นความว่างแล้วเนี่ยมันเห็นแล้วว่าตัวเราก็ไม่ใช่ของเราอะไรก็ไม่ใช่ของเรามันก็ว่างว่างแล้วมันก็หลุดออกมาเห็นไมลูกคางมันนิ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกมาเราไม่ได้ทำให้มันหลุดด้วยมันนิ่งเองมันหลุดออกมาเอง นะให้เราเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราทำไมต้องมาสร้างแรงเบียดนะอย่าไปแก้ปัญหาด้วยความคิดความคิดเราเนี่ยมันไม่ฉลาดพอนะก็ต้องดำเนินนะต้องดำเนินเดินทางเลยคือเดินเข้าไปในจิตตรงๆนี่แหละนะแล้วก็จิตในจิตคือจิตปัจจุบันเนี่ยก็ศึกษาเรียนรู้กับจิตในอดีตผูครูไม่อยากใช้คาว่าตามดูตามรู้ ภาษาพูดมันจะติดบ่วงอีกตามดูคือเราอยากเห็นยังมีตัวอยากอยู่ตามรู้คือมีความอยากรู้อยู่นะจริงๆแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรให้รู้ไม่มีอะไรให้เห็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะเหมือนเราโดดเข้าไปเลยเราเข้าไปอะไรไปลิ้มรสธรรมในธรรมอารมณ์ต่างๆที่มันสะสมมาหลายภพหลายชาติทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดี รวบโกดหลงเราไปเสพมันเลยเนี่ยเราไปเรียนรู้โดยเข้าไปเสพเลยไม่ต้องไปตามดูตามรู้นะไปเพ่งดูเฉยเฉยเนี่ยมันก็เปื้อนมันก็เปื้อนเหมือนเก่านะเราเข้าไปเสพมันเลยแล้วเราก็เวียงมันทิ้งอาการที่มันเวียงทิ้งเวียงนี้นี่คือขัดเกาจิตให้ผ่องใสทุกวันนี้เราไปฝึกวิชาสมาธิวิชาสติเนี่ยนะมันก็จะมีสมาธิมากขึ้นมีสติมากขึ้น แต่มันไม่ได้ขัดเกาจิตให้ผ่องใสเลยนะมันไม่ค้งงงนะเนี่ยที่เราจเจริญมากแบบนี้เราเข้าไปข้างในเนี่ยในขณะที่เราเข้าไปข้างในเราไปอยู่ในโลกส่วนตัวเราเนี่ยที่พระท่านบอกว่าจิตทรงออกเป็นสมูทยัยจิตทรงออกเป็นสมูทยัยนะที่เราคิดมันเป็นสมูทยัยเป็นตัวอยากเรถึงคิดนะ่ะคิดไปสู่ไปดูคนอื่นคิดถึงอนาคตเนี่ยมันเป็นสมูทยัยมันเป็นตัวตันหา ทีนี้เราเข้าไปในจิตในจิตเนี่ยเราเข้าไปข้าเราไปสัวดีดแล้วเนี่ยมันไม่มีอนาคตแล้วมันไม่มีมันไม่ส่งออกแน่นอนมันไปอยู่ในโลกส่วนตัวเราอันนี้ปลอดภัยทีนี้เราเข้าไปเรียนรู้กับข้างในเดี๋ยวเราไปรู้กับข้างในรู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งรู้แล้วก็เหวี่ยงทิ้งไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นแต่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว <listed> <ๆ>่าเห็น มันมันร้อนก็รู้ว่าร้อนเบี่ยงทิ้งมันเย็นก็รู้ว่าเย็นเบี่ยงทิ้งเห็นไหมรู้โดยไม่ต้องนึกคิดไม่ต้องพิจารณาแต่ตอนนี้เนี่ยการเผยแพร่ธรรมเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นหมวดหมวดวิชาเป็นหมวดวิชาไปจบอยู่แค่สมาธิแค่สติไปเพ่งดูไปดูจิตไปดูเวทนาไปดูอริยบทของกาย มันเป็นมันเป็นสัมมาทักรมฐานเป็นสมาธิเบื้องต้นซึ่งพวกครูไม่ได้ลบหลู่หรือว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ไปโต้แย้งนะแต่พ่อครูเตือนว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราไปหลงติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนก็เรากาหนดอยู่ตรงนั้นมันก็อยู่ตรงนั้นมันจะไปไหนเราก็กําำหนดเองใช่ไหมไปหลงป่าแล้วก็ไปกำหนดฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะฝึกสมาธิฉันจะฝึกให้มันแข็งแรง เราออกจากป่าได้หรือเปล่าไม่ได้เราหลงป่ามาตั้งหลายชาติแล้วนะหลงป่าในวัฏฏสงสารเราต้องหาทางออกจากป่าผู้เจ้าก็ชี้ทางให้เรียบร้อยวิธีเดินทางออกจากป่าพราะองค์ตัดไปเรียบร้อยเลยง่ายมากง่ายมากไลแต่ทีนี้บังเอิญเราไปเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์แบบแยกแขนงนเป็นหมวดหมวดวิชาเรียนทีละวิชาวิช า, ชามันไปขัดแย้งกับระบบธรรมชาติของจิต มันไปแยกไม่ได้นะอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยในขณะที่มันหมุนติ้วติ้วติ้มันแสดงอาการเนี่ยนะแค่นี้เองนะเป็นมหาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเป็นหนึ่งเดียวหมดนะมันเป็นมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานอยู่ในนี้สติปัฏฐานสี่อยู่ในนี้อริยบทสี่อยู่ในนี้กายสามอยู่ในนี้วิชาสามอยู่ในนี้ ไม่ใช่พะแยกส่วนเรียนแบบนั้นมันเป็นองค์รวมทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยนะแยกไม่ได้แยกไม่ได้นะมันเป็นทั้งหมดเพนแต่ว่าภาษาเขียนมันก็ได้เขียนเป็นหมวดหมวดหมดมาเราเลยเป็นเรียนแบบเป็นหมวดหมวดหมวดหมดเหมือนเราเรียนกอไก่ขอไข่เรียนปหนึ่งปสองปสามนั่นแหละนะเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนางวิสาขาบรรลุโสดาบันตั้งแต่เจ็ดขวบ เนียนน้อยรูปหนึ่งเจ็ดขวบเป็นอรหันต์แล้วอย่าไปถามว่าปฏิบัติทำมากี่กี่ปีได้ฌานเท่าไหร่นะถ้าจะถามต้องถามว่าปฏิบัติมากี่ชาติแล้วใครรู้จิตเรารู้จิตเรารู้ว่าเขาฝึกมาแค่ไหนแล้วเขาจะมาต่อยอดไม่ใช่เราไปกำหนดให้เขาต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะถ้ากำหนดปุ๊บเป็นหมวดวิชา ตอนนี้ญาติธรรมเราบางท่านก็มาฝึกที่นี่ได้บ้างพอออกไปข้างนอกก็ไปสร้างบทวิชาขึ้นมาใหม่ละให้ทำท่าโน้นให้ทำท่านี้เป็นลทัทธิขึ้นมาอีกละเพราะความอยากปล่อยไปตามธรรมชาติของเขาอินไซเอาส่วนจิตเขาสั่งออกมาว่าให้ทาท่าไหนเนี่เป็นเรื่องของจิตแต่ถ้ามนุษย์กำหนดขึ้นเองปุ๊บนี่มันกลายเป็นหมวิชามันจะกลายเป็นลทัทธิขึ้นมาทันที ต้องให้เข้าใจเพระครูต้องเิ้นเรืนเยอะเพราะว่าใช้คําว่าสงสารก็ได้ยาติธรรมได้หลายรุ่นผ่านมาเอ้หายไปไหนหายไปไหนแล้วเดินมาจนถึงเรียนปริญญาเอกแล้วนี่ถูกดึงไปนับหนึ่งใหม่เป็นนับหนึ่งใหม่เพราะไอ้คําว่ามีจริงเหรอพระไตรปิฎกมีสอนแบบนี้จริงเหรอนก็กลับไปนั่งนับหนึ่งใหม่ ไปเรียนสมาธิไปเรียนเจริญสติหลวงพ่อชาเองเนี่ยท่านเตือนตลอดว่ามัวแต่ถือศีลนั่งสมาธิจะไปไหนสมัยก่อนพ่อครูไม่เข้าใจเอ๊ะถือศีลนั่งสมาธิมันก็ดีแล้วเนี่ยท่านยังบอกมันจะไปไหนตอนนั้นเราไม่เข้าใจหรอกแต่พอเราผ่านพ้นตรงนั้นแล้วเราบอกอ๋อเข้าใจละไปติดอยู่ที่สมาธินั่นแหละ แล้วเมื่อวานก่อนพ่อครูเข้าไปในเมืองบังเอิญไปอยู่เวลาทองกําลังทำํำธุระเดินออกมาพอดีก็มาเจอหลวงจีนหลวงจีนที่เคยมาที่นี่ที่ไต้หวันอ่ะท่านก็เดินอยู่ในเมืองท่านก็เดินมามาม า, ม า, ม า, มายกมือไหว้ว่ า, วาเอา้เอาอหลวงพี่ไปไหนท่านก็ดีใจมากก็มาสนทนากันเขาบอกนี่เร็วเร็วนี้เนี่ยเพิ่งได้ยินอาจารย์มหาบัวเนี่ยเทศ ตอนนี้ท่านพูดหมดเลยเพราะอายุท่านก็มากแล้วตอนนี้ท่านไม่กลัวคำว่าปวดอุตริมนุษเซียธรรมท่านก็เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นท่านปิดสมาธิอยู่ห้าหกปีมันตันท่านก็เดินทางไปกราบครูบาอาจารย์คือหลวงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นวันนี้ไปติดสมาธิคนแนะนำปล่อยวางสมาธิเดินเข้าไปข้างในทีท่านบอกว่ามันหมุนติ้วต้วหมุนติ้วต้วระเบิดเลย เข้าไปสู่แกนแกลางก็ระเบิดออกมาท่านบอกสว่างหมดเลยหลวงจีนท่านบอกได้ยินปุ๊บก็คิดถึงพ่อครูทันทีเพราะเคยมาที่นี่พ่อครูร่ายบางังเหมือนตอนที่พ่อครูอยู่อเมริกาบอกหมุนติ้วติ้วระเบิดเลยยังไปติดรูปแบบอะไรมากแล้วทําไมพ่อครูไม่สอนเราบอกว่าหมุนติ้วติ้วระเบิดเลยไม่ต้องไม่ตั้งไม่ต้องปฏิบัติอะไรหมุนติ้วต้วระเบิดเลยระเบิดเลยทําไมไม่สอนเห็นไหมมันมันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนกันสักคนหนึ่ง แต่เราสอนให้เวียงเพื่อปลดปล่อยให้จิตเราเนี่ยหลุดออกมาจากความเป็นทาตของใจให้มันเกิดความปิสระแล้วให้มันดําเนินเข้าไปข้างในนะให้มันดําเนินเข้าไปข้างในแล้วส่วนดําเนินแล้วมันจะช้าจะเร็วอะไรเนี่ยก็แล้วแต่เรื่องนานาจิตต่างอย่าไปกําหนดว่าต้องทําอย่างนั้นทําอย่างนี้จิตกําหนดไม่ได้ปล่อยให้เขาดาเนินไปเมื่อถึงเวลาแล้วเนี่ยเขาจะระเบิดเองไม่ใช่ตั้งใจไปทําให้เขาระเบิด นะเหมือนไปเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ถ้าไปโรงเรียนทุกวันก็จบเหมือนกันเรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่อย่างนั้นนะเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวธรรมบา ร, รมีที่ที่เราปฏิบัติมาหลายภพหลายชาติมันไม่เท่ากันวิบากกรรมที่เราสร้างมามากน้อยมันไม่เหมือนกันแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งบุญวาสนาไม่ได้ อย่าไปคิดแข่งแล้วก็เราไม่แล้วเราไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อจะไปแข่งอะไรกับใครยิ่งปฏิบัติยิ่งตัวเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงทางโลกนี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเก่งขึ้นยิ่งหัวโตวขึ้นยิ่งตัวใหญ่ขึ้นนะะมันคนละเรื่องนะนะแบกหัวโขนไปด้วยนะ่ะทางธรรมนี่ยิ่งปฏิบัติยิ่งเล็กเ็กเล็กเล็กจนวินาทีที่มันระเบิดมันทิ้งมันไม่มีตัวตนนั่นแหละใหญ่ที่สุดเลยทำไมใหญ่ที่สุด ความว่างใหญ่ที่สุดในโลกเงิจักรวาลมันใหญ่จนล้อมลัวไม่ได้นะนะโลกดาวทุกดวงพระอาทิตย์ลอยทุบป่องทุบปอ่ปองอยู่คูบินความว่างใหญ่มากความว่างนะใหญ่จนล้อมลววไม่ได้นะแล้วความนิ่งที่เราฝึกพอมันเบี่ยงเต็มที่มันนิ่งเต็มที่นั่นแหละแรงที่สุดเป็นพลังที่แรงที่สุดนะความนิ่ง ใช่ไหมแต่ไม่ใช่นิ่งแบบไปกดมันให้มันนิ่งนะนิ่งแบบมันที่พ่อครูชอบยกตัวอย่างมอเตอร์ไซค์สองคัน่ะคันหนึ่งจอดไว้เฉยเฉยกดให้มันนิ่งเนี่ยคันนึงมอเตอร์ไซค์ใส่ถังเรารู้สึกว่ามันไม่นิ่งมันวิ่งไปว่ามันไม่นิ่งไอ้ที่จอดไว้เฉยเฉยนี่เอานิ้วเดียวผักลงไปก็ลมล่ะนิ่งแบบไม่มีพลังแต่มอเตอร์ไซค์ใส่ถังเอามือเข้าไปมือขาดเลยนะนิ่งอยู่กับการเคลื่อนไหว พอรถยนต์เราสตาร์ทหี่มันหมุนเต็มที่เราเร่งเกียเต็มที่มันมันเร็วที่สุดแล้วมันจะนิ่งจนเรามองไม่เห็นมันแรงเวี่ยงเลยนะแต่มันแรงที่สุดนะเหมือนญาติธรรมที่มาฝึกที่นี่นะโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่เคยมีโยมมาจากออสเตรเลียคนหนึ่งขี้บ่นมากโยมผู้หญิงนะตื่นเช้ามาก็บ่นบนบนลูกผัวลำคาญมากแกเองก็ําคาญตัวเองเหมือนกัน หลายปีไปออสเตรเลียนอนไม่หลับสุกทีนี่เพราะว่าตัวเองก็ขี้บ่นแล้วก็เป็นโรคหวาดภาวานะพอมานั่งเวียงเวียงเวียงเวียงอุย้ยเขาไม่เคยนอนหลับสนิทยังก็นอนหลับเลยกลับไปอ็เซเลียเนี่ยไม่พูดไม่จาเนี่ยเหมือนคนใบ้ทั้งบ้านบ้านจะแตกเลยเพราะมันนิ่งมากเกินไปเนี่ยเขาหับไม่ได้เขาบอกแม่เป็นบ้านแล้วไม่ให้แม่นั่งหยิบมันเป็นกรรมอะไรก็ไม่รู้นะตอนบนมากๆ ก, ก, ก็เบื่อเบื่อ แตเบื่อยังไงก็ช่างมันเคยชินแล้วไงพอแม่เลิกบท น, นี้กลับกลายเป็นเรื่องเฮ้ยมันเกิอดอะไรขึ้นนะเนี่ยความนิ่งมันกระทบหมดเลยนะทุกคนจะตายอะ่ะสุดท้ายไม่ให้แม่นั่งอะ่ะกลัวแม่เป็นบ้าแล้กวกูบอกว่ามันเวรกรรมเวรกรรมนะความนิ่งแรงมากไม่เชื่อลองกลับไปบ้านดูนะกลับไปเที่ยวนี้ไม่พูดนะอยู่เฉยๆคนข้างตัวเราเนี่ร้อนไปหมดเลยห่ะมันเกิอดอะไรขึ้นฮ ความนิ่งนี่แรงที่สุดถ้าในทางศาสนาก็เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงวิธีปราบมารเนี่ยน ะ, ะต้องใช้อุเบกขามามีหน้าที่ยั่วยวนเราต่างๆนานาเนี่ยถ้าเราไปสู้กับมันปุ๊บมันหัวเลาะเลยมันหลอกเราสมเด็จแหละเราวิ่งหนีเลยมันก็นั่งหัวเลาะฮาๆามันสมเด็จละ วิธีปราบมารก็คือนั่งเฉยๆปล่อยมันล้ำไปเลยมันยั่วไปเลยเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็ไปเองเนี่วิชาปราบมารอย่าไปสู้มันนะเราหนีมันก็ไม่ได้เราสู้มันก็ไม่ได้เข้าเข้าทางมารหมดนะไม่ต้องมานอกตัวนะมารในใจเราเองนี่แหละไอ้ตัวร้ายเลยนะอนะพอเขาด่ามารบอกเฮ้ยเสียเปรีย บ, เ, ยบเห็นไหมเธอเจ็บใจเห็นไหมเธอเจ็บใจเธอด่าก็ไปคืนเลย ดาไปคืนเลยมารมันหัวเราอเละหลอกเราได้ละ่ะเห็นไหมดาวไปคืนเป็นวัชีกรรมละ่ะเขาก็เขียดเราเห็นไหมอันนี้เพราะว่าเราไม่รู้เท่าทันมารแต่ถ้าเราไม่ด่าเนะ่ยบอกเห็นไหมเธอเจ็บใจแล้วเธอเจ็บมากเลยเธอเสียเปรียบแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเราอุเบกขาซะไม่เชื่อมันเราก็ไม่ต้องสร้างวัชีกรรมเห็นไหม แล้วก็เราได้อะไรด้วยนะไม่ได้สร้างกรรมใหม่แถมแถมได้บุญด้วยได้อภัยทานด้วยมหาศาลเลยอุเบกขาบา ร, รมีนี่ยิ่งใหญ่มากนะแรกๆทําไม่ได้ก็ต้องใช้อภัยทานที่บระครูบอกอช่างมันถเถอะโอโหสิกรรมอภัยให้มันนะอภัยได้เราก็ได้อภัยทานได้อภัยทานบา ร, รมีได้ทานบา ร, รมีนะแต่หลายคนทําไม่ได้ ชีวิตที่เราทุกนี่เพราะว่าเราให้อภัยกันไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เรารักที่สุดทำให้เราทุกมากที่สุดบางทีเพื่อนเรามันด่าเราเนี่บางทีเราก็ด่าคืนบางทีด่าเราเออช่างมันเถอ ะ, ะเราก็ลืมไวไวนะแต่คนที่เรารักเนี่ยพูดแค่เฉียดเฉียดหูนิดหนึ่งเจ็บใจมากเลยห้าวันก็ไม่ลืมไม่พูดจากันด้วย รักโลกโกรธหลงมันเป็นทุกข์เนี่ยรักโลกโกรธหลงมันเป็นทุกข์บางคนยกมือถามเอ้มันรักกันมันทุกข์กันได้ยังไงนะคุณตู่ ย, ยังจําแม่นเลยคุณตู่แฟนคุณหมอกันมาวันแรกได้แก้แรงมากยกถามเลยรักโลกโกรธหลงมันทุกข์ได้ยังไงรักมันทุกข์ได้ยังไงรักกันก็ดีแล้วไงบอกคุณตู่รักคุณหมอไหมบอกรักสี่วันไหนคุณหมอถูกแย่งไปยังรักอยู่หรือเปล่า บางทีไม่รักเฉยๆในกเกียดติเขาด้วยใช่ไหมถ้าคุณรักเขาจริงๆนี่คนที่เรารักนี่ไปมีความสุขต้องยกมืออนุโมทนาสาธุสิต้องดีใจสิไปทุกข์ทำไมล่ะเห็นไหมมันมมันรักมันไม่ดีนะเราต้องเปลี่ยนความรักให้กลายเป็นความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะความรักนี่มันแฝงด้วยความเห็นแก่ตัวมันแฝงด้วยความหลง หลงเพราะว่าเรารักเพราะเขาเป็นของเราถ้าเมื่อไหร่เขาเป็นของคนอื่นไปเราก็ไม่รักแล้วแคนเขาด้วยนะไม่ได้บุญแถมเป็นกรรมอีกถ้าเกิดว่าเราเวียนเขาไปข้างในไปสู่ต้นกำเนิดของชีวิตเราก็คือจิตเราจะไปสาสางที่มาของมันก็คือกรรมไงเราไปเรียนรู้กับกรรมดีกรรมชั่วในนั้นนะ เมื่อเราล้างหมดแล้วเนี่ยจิตปัจจุบันเนี่ยมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายภาพปัจจุบันนี่แหละคือคำตอบว่าการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการเจริญมักคือการเดินทางไม่ใช่ไปฝึกวิชาน่นฝึกวิชานี่ไปวิชาเพิ่มสติไปวิชาเพิ่มสมาธิไม่ใช่นะไม่ใช่ สมาธิสติเนี่ยเราฝึกมาตั้งแต่เกิดแล้วเราฝึกมาหลายชาติแล้วแล้วก็เกิดมาแล้วก็ฝึกเลยนะเราต้องใช้สมาธิสติปัญญาศีลที่เรามีอยู่ทั้งหมดเดินทางเดินทางเดินเข้าไปข้างในนะเดินเข้าไปโดยไม่ต้องกำหนดมันไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นมีหน้าที่เดินอย่างเดียวนะ อย่าไปเพ่งนะที่เราไปเพ่งดูเนี่ยเพราะเราอยากรู้อยากเห็นนะเรายังทำด้วยความอยากอยู่นะมันมันไม่ใช่มั้ะเพราะครูก็จ ะ, จะจะเน้นเรื่องนี้อย่าลืมคำว่าทุกสมุทัยนิโรธมั้นะอริยสัจสี่ความจริงที่ยิ่งใหญ่สี่ประการที่พรเจ้าตรัสรู้จริงๆแล้วพระเจ้าตรัสรู้แค่สี่อย่าง แต่สี่อย่างนี้มันแตกแขนงไปเป็นเยอะมากแตกแขนงไปเยอะมากนะเพราะผมพูดแต่เรื่องทุกข์อะไรคือตัวทุกข์อะไรคือเหตุแห่งทุกข์อะไรคือความดับทุกข์อะไรคือหนทางไปสู่การพ้นทุกขนะ์พูดแต่เรื่องทุกข์ไม่ได้พูดเรื่องสุขพูดเรื่องสุขอย่างเดียวเท่านั้นคือนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะ นิพพานที่มันสุขอย่างยิ่งเพราะว่ามันไม่ทุกเท่านั้นเองมันไม่ทุกเท่านั้นเองนะเพราะครูก็จําไม่ได้ว่าเดือนไหนที่แก้วทิพย์บอกให้เขียนทำมาประจําเดือนก็เขียนทิ้งไว้ให้เขาเยอะแหละตอนนี้ว่าก็เขียนเขียนเขียนนะเขาจะออกในเว็บไซต์เขานี่ทุกเดือนทุกเดือนเนะพราะครูก็ย้อนหลังไปสู่ยี่สิบปีที่แล้ววินาทีที่จิตครูระเบิดนะี่นะมันสว่างไปหมดนะแล้วอูทานออกมาเลย นะโอ้ เ, อเร็วนะดวงตาเห็นธรรมเนี่ยการบรรลุธรรมมันเกิดขึ้นจากการสแสวงหาที่ล้มเหลวพวกครูสแสวงหาอะไร40ปีสแสวงหาความสุขทดลองทุกรูปแบบแบบไหนมันจะสุขเอาเงินซื้อทุกอย่างให้มันสะดวกสบายให้มันสะใจ มันเหมือนสุขมันสุขชั่วครู่มันก็ทุกอีกมันไม่ใช่สุกแทม้มันไปดับมันไปกบเกินความทุกข์เท่านั้นเองแต่วินาทีที่มันระเบิดนั้นเราไปสัมผัสตัวเราก็ไม่มีไงไอ้คาว่าสงบสว่างสะอาดนั้นไม่ใช่เรารู้สึกนะเรากลายเป็นตัวนั้นไม่มีตัวเราไม่มีตัวผู้รู้สึกนะมันเป็นอารมณ์ที่นี่แหละคือสุขอย่างยิ่งเราเลยบอกว่า ความสุขตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะมันไม่ทุกข์เท่านั้นเองนความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระวินาทีนั้นมันอิสระมากแล้วมนุษย์เราสแสวงหาความสุขทําไมแล้วก็ร้องออกมาเลยว่าแล้วเราสแสวงหาความสุขทําไมนั่นแหละเราถูกหลอกไงตั้งแต่เล็กจนโตว่าเรี้ยงเก่งๆนะหาเงินเยอะๆแล้วเอาเงินมาซื้อความสะดวกสบายนั่นคือความสุข เราถูกหลอกมันไม่ใช่สุขแท้นะเมื่อไปติดความสะดวกสบายแล้วเนี่ยถ้าวันไหนเนี่ยเอาแค่คนในเมืองนี่วันไหนไฟดับไม่มีแอร์เฉยๆเนี่ยทุกแล้วทุกแล้วไงมันไม่ใช่ความสุขถ้าความสุขมันจะไม่มีของคู่อย่างนี้พานเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยมันสุขตลอดยี่บสี่ชั่วโมงใครมาเปลี่ยนอารมณ์ให้มันทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันเป็นสุขอย่างยิ่ง อาการที่มันสุขเนี่ยเพราะมันไม่ทุกเท่านั้นเองเห็มันเป็นเป็นเส้นผมบางภูเขานะนะความสุขในโลกนี้ไม่มีไม่มีขายกี่แสนล้านก็ซื้อไม่ได้นะไม่มีขายความเย็นในโลกนี้ไม่มีในโลกนี้มีแต่ความร้อนดวงอาทิตย์เป็นตัวจ่ายความร้อนไม่มีดาวดวงไหนจ่ายความเย็น น้ำแข็งมันเย็นเพราะความร้อนมันน้อยเท่านั้นเองถ้าเอาน้ำไปเอาความร้อนมนันออกมันถึงเย็นนะไม่เชื่อเอาน้ำแข็งมาวางไว้เดี๋ยวมันก็นละลายมันยังมีความร้อนอยู่นะเครื่องปรับอากาศนี่ยมันปรับเอาความร้อนออกความเย็นจึงเกิดขึ้นฉันใดฉันนั้นความสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าความทุกขยังอยู่แค่เรามาเหวี่ยงเอาความทุกออกความสุขที่มีอยู่แล้วอย่างเต็มเปี่ยมมันจะแสดงตัว ไม่ใช่ไปหาเงินไปซื้อหาความสุขที่ไหนไม่มีขายนะความสุขในโลกนี้ไม่มีนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งแล้วนิพานนี้ไม่ใช่เป็นเมืองนิพานอยู่ที่ไหนไกลๆนะมันอยู่ในจิตเราเนี่ยสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพานอยู่ในจิตแค่ผิจิตเท่านั้นเองมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะแต่มันกลายเป็นอุปสรรคของคนยุคนี้เราไม่เชื่อว่ามีอะไรง่ายขนาดนี้นะ ธรรมะคือธรรมชาติคือธรรมดาธรรมดามันไม่ได้ยากอะไรเลยแต่เราไปถูกใส่โปรแกรมยากๆขึ้นมาถ้ายากแล้วก็ดีถ้าแพงแล้วก็ดีนะมันขังเรื่องง่ายๆทำเป็นเรื่องยากหมดเลยนี่ลหละคือเราถูกกรอบของไอ้ความรู้ผิดคือเอาวิชาคือภาษานี้ใส่ไว้